<clears> Thank <throat> uh. ฟังรรทำหลวงพ่อเป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาไปทำดูไม่ใช่ฟังให้จำไม่ใช่เล่านิยายไม่ใช่สอนวิชาการเป็นปฏิบัติการพูดแล้วทาได้ทันทีบางทีมันเห็นด้วย <c oughs> เห็นไปกับคำที่พูด แล้วลู้เห็นพบเห็นไปกับคาที่พูดไม่ใช่คิดเห็นคาพูดไม่ใช่เรื่องคิดเห็นคาที่พูดเป็นเรื่องพบเห็นนี่คือของจริงของจริงต้องพบเห็นของไม่จริงก็คือคิดเห็นมันเรานั่งอยู่นี่นี่แหละคือวัดป่าสุปโตเราไปถามใครไหมไม่ต้องถามแล้วเราอยู่ที่นี่แล้ว สกุลโตก็คือที่นี่ถ้าเราอยู่กรุงเทพก็เพียงแต่คิดเห็นการคิดเห็นอาจจะไม่เป็นความจริงเป็นของจริงถ้าพบเห็นนั่นอ่ะนั่นละเป็นปัจจัดตังัวเองเห็นเองการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเราสร้างสติอย่างเดียวก็จะเกิดการพบเห็นหลายอย่าง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 พ้า ว, ว่าความรอบโูกในกองสังขารชื่อว่าปัญญาสังขารคือกายจสังขารจิตตสังขารสังขารที่เกิดกับกายมีมากสังขารที่เกิดกับจิตมีมากสังขารที่เกิดกับกายเนี่ยกำหนดลูด่หรือการลู่สังขารที่เกิดกับจิตกําหนดลูด่ลู่หรือการละเรียกว่าวิสังขาร มันเกิดกัดกบกิจนะท่านเรียกว่าวิสังขารอย่าให้พลาดตรงนี้ถ้าไม่เปลี่ยนเป็นวิสังขารมันจะลงโทษเราตัวกิจต่อสังขาร น, นี่ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็ไปไกลเป็นกินเลสตัณหาเป็นราคะเป็นความโกรธความห ล, ลงเป็นความรักความชังเป็นความโศก ค, ความทุกข์สารพัดสารเพล่รอ 8, ยแต่ปัญญา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 ความเย็นก็ไม่อยู่ในความร้อนนั่นความไม่ทุกข์ก็อยู่ในความทุกข์นั่นลหละล้วเราเปลี่ยนปฏิบัติตัวจริงก็คือตัวเปลี่ยนเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนเป็นตัวลูก่นสากลที่สุดในกายในใจของเราทั้งหมดชีวิตของเราเปลี่ยนเป็นตัวลูก เป็นหลักสากลถ้ามันหลงก็รลู่นะถ้ามันสุขกับลู่นะถ้ามันทุกข์ก็รลู้ถ้ามันโกรธก็รลู่นะเอาตัวลู้เป็นหลักก่อนหรือว่าตัวลู้เป็นสถาบันตัวลู้แบบสติปันญาไม่ใช่คิดลู้มันลู้เห็นมันสมบูรณ์แบบเปลี่ยนเป็นตัวรู้ เป็นหลักสากลของชีวิตที่สุดเลยละ่ะถ้าเป็นกุญแจก็เป็นกุญแจดอกเอกหลุดได้พ้นได้อืจบแค่นั้นทุกข์ก็รด้กาหนดรูด้โดยทําแล้วได้ดับทุกข์ได้แล้วพ้นทุกข์ได้แล้วนี่คือตัวรู้ถ้าในหลักเรียสัจสี่ทุกข์เป็นสิ่งที่กําหนดรู้ ทุกเห็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ได้ทําเหตุนั้นแล้วก็ได้ทําแล้วตัวตัวรู้เนี่ยนะตัวรู้พับนี่ยกระบวนการแห่งความหลุดพ้นครบทวนบริบูรณ์ไม่ต้องไปคิดไถ่มันถียึดเพียงแต่เรารู้สึกเท่านั้นแ่ละ เป็นอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาหรือว่าสลปลงก็คือตัวมรรคอันแล้วมรรคคือดูคือเห็นคือรู้นี่ไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านอตาคือปัญญาคือตาในคือตัวโลกของนรานไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านถ้าเรามีนะแต่เราไม่มีเราหลับซะก็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 สวรรค์บานก็คือผู้เข้าประตูผู้ดูผู้เห็นถ้าเราไม่สร้างตัวรูปมันจะไม่พอใช้มันจะจนคนโกรธคือคนจนมันไม่ไม่มีตัวรูปไม่มีวัดไม่มีทรัพย์ไม่มีเรียทรัพย์ที่มาใช่เขาจึงโกรธเขาจึงทุกข์เขาจึงเกิดที่เหลดั n หาแต่ถ้ารู้ซึกนสร้างตัวรูปให้มากๆ เราก็จะไม่จนพบแต่พบแต่ทางทางออกเยอะแยะบางทีก็กำหนดดู่โดยการลู่กาหนดลู่โดยการบรเทากำหนดลู่โดยการละมีเยอะแยะทางออกเราจึงพากันมาสร้างตัวลูกตัวลู่นี่เป็นอิสระนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปตามใคร ไม่ใช่ตามอาจารย์ไทยสารไม่ใช่ตามหลวงพ่อไม่ใช่ตามใครทั้งหมดแต่เรายังตามคนอื่นอยู่ไ ม, ไม่ใช่เป็นอิสระไม่ใช่ไปตามหลวงปู่เทียนแพระพุทธเจ้าเราเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้สอนส่วนการกระทําเป็นหน้าที่ของเราความหลงอาจะต่างกันความผิดอาจจะต่างกันความถูกอาจจะต่างกันถูกโอกาส ต่างกันโอกาสผิดก็ต่างกันเห็นความคิ ด, คดเราคิดเวลาใดเวลาใดมันคิดเราหลงหรือว่าเราลูกอาจจะต่างกันตรงนี้เวลาชั่วโมงเท่ากันแต่เราหลงเราไม่มีความรู้สึกนี่ตัว น, นี้แหละเป็น โอกาสของเราอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปกลัวความผิดในความรู้เป็นหลักสร้างตัวรู้เอาไว้รู้สึกรู้สึกสิยาที่รู้ก็ไม่ใช่คิดเอาสัมผัสเอาได้จริงๆเห็นรูปแบบรูปแบบของการสร้างตัวรู้ทีเราพากันทำอยู่สมบูรณ์ ถ้าเป็นการศึกษาก็อุดมละ่ะชั้นอุดมไม่ใช่ชั้นปฐมไม่ใช่ชั้นมัธยมเป็นชั้นอุดมครบถ้วนตายก็มีลูกก็มีสมบุญแบบถ้าไปดูนิมิตไม่สมบุญนะไปอิงไปอิงอันอื่นอันนี้เราไม่ต้องไปอิงอาศจเทียงใดเอาของจริงมากําหนด เอากายเนี่ยเอากายนี่มาเป็นมนมิตรกายก็เป็นของจริงไม่ใช่สีไม่ใช่แสงไม่ใช่ลูกแก้ว <c oughs> เป็นกายจริงจริงพิกขึ้นยกขึ้นวางลงรู้สึกไปกับจิตญาไปกับรูปแบบเพโลเจตนาใส่ให้มันรู้สึกเนี่ยสมบูรณ์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 อะไรจะเกิดขึ้นในขณะที่เราสร้างตัวลกูกเราไม่ปฏิเสธบางทีเราอยู่กันเป็นกลุ่มเราอยู่ด้วยกันหสังเช้าเสร็จมารวมกันที่สลาไก่าเดินจงกรมมาสร้างสติตลอดทั้งบ่ายโมงก็มารวมกันที่นี่มันไม่ได้ปฏิเสธเรา <c oughs> แต่เรามีตัวโลกมือนก็เราอยู่คนเดียวหรือเหมือก็เป็นคนคนเดียวใครก็โล้กใครก็โู้เสียงไอเสียงอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็รู้สึกประสบการณ์ดีด้วยเราอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่ไม่มีอันที่จะประสบการณ์ไม่มีอันที่จะแก้ไข อาจจะไม่เก่งนะหรออาจจะเก่งก็ได้ไม่แน่แต่ว่าถ้าหากว่าเราเปลี่ยนหลงให้เป็นรูปบ่อยๆเนี่ยตัวนี้จะเก่งมากให้มันหลงลงไปให้มันง่วงลงไปให้มันชิดลงไปเราลูบมันอยู่นี่แหละวัตถุที่เราลูบอยู่มีมีอยู่จริงเอาให้มันชัดๆ ถ้าทำค่อยๆมันหลงมากทำทแรงๆถ้าทำช้าๆมันหลงกว่าทำไวๆ ป, ปุ๊บปั๊บในบางครั้งบางคราวให้มันแรงๆให้มันพอเหมาะกับสรัทธานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับขณะที่เราทำนี่ไม่ต้องตามใครจะทำไม่ต้องตามใครรู้ไปทำไปใน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 มันรูอยู่แล้วก็สร้างตัวรูดไปเรื่อยๆนะครับเราคองตัวรูดของตัวเองอไปไม่ต้องกลัวอะไรจะไปคิดหน้าคิดหลังแต่รู้สึกก็ถูกแล้วจะเลี่ไปจากตรงนี้แต่มันรูกไปใช่ได้ละรูดอะไรรูดเท่านี้หรือไม่ต้องไปคิดไปแต่ลู้สึกแต่ลูดอยู่รูดอยู่ก็ใช่ได้แต่มันรูดนะมันก็ถูกทั้งหมดแล้วล่ะ แต่ถ้ามันหลงก็รู้จากเตียนแล้วมันจะเห็นอะไรบางทีอาจารย์หลวงพ่อบอกว่าให้เห็นโูกเห็นน้ำให้เห็นทุกข์ให้เห็นอ่าสมมุติเห็นบัญญัติเห็นปรัตมัเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกุศลอ่ากุศลมันก็อยากไปคิดถาไม่ต้องไปคิดถามันบางที สิ่งเราหนั่นมีอยู่แล้วแต่ตัวรูปมันก็มีอะไรอยู่ในนั่นแล้วแต่รูมากรูกมากรูกมากเข้าไปบางทีไม่ต้องรูปอะไรไปพอไปถึงจุดหมายปลายทางมันจะมองกลับมันก็จุดลูปมันก็เราเดินทางจากกรุงเทพนคนหมอเดินทางจากลาดพรีบเพชรบุรีลาดุรีรบรมาพอมาถึงสุขโต้รูปมาเราผ่านตรงไหนเราผ่านตรงไหน เวลาที่เดินไม่ต้องไปสังเกตอะไรเรามาถึงแล้วเาอาจะทบถวดอาจจะเก่งกว่าคนที่ยังไม่มาถึงอย่าไปสนใจอย่าไปค <c oughs> งแวะกําเขตการต่างๆโดยเพพาะการจเจริญสตินี่ นลวงพ่อว่ามันสะดวกมากๆทีเดียวไม่เหมือนกับทำอย่างอื่นเ้าทำแบบพุโทโธเนีย่ยโอ้ยบริกรรมบางทีก็ต้องเป็น